BOOK 2สามซา ม, ามการทำความรู้จักกัดสนบะกัสนบสวัสดีค่ะกามรจบกามรจบะ สวัสดีค่ะกา ก, กิมารจ์รจสามาร์จสบายดีไหมคะโรกอร์คาร์โรกอร์คาร์คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะอรปเปลคาร์อรเปลิคาร์ท คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะอเมริกเอลิาร์อเมริเอลิคาร์คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะอ a z ล e l i c h a r t a คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะโร m m e l s สต u m r o s h i โ s h o v r มมคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไร่แล้วคะ ร, ร, ร, ร, ร, รคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะร คุณชอบที่นี่ไหมคะมกจอนทักมกอนทักคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะอักชเวบุเลบากาอักชเวบุเลบกามาเยี่ยมดีฉันบ้างนะคะเมสตูมเรตโรกอร์เมเมสตูเรตโรกอร์เม นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Eschemi m ส s า m a r t i a Eschemi m i s i a เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะขว v ลเ s h e ว k h d e ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดิฉันไม่ว่าง v t u c h w a ม a g r a ั้วทาวมรัมุกวา g r a m ั้วท า, า, า, าวกิกมรัลาก่อนค่ะคาร์กัคาร์กัดลาก่อนค่ะนักความดิษ n a กความดิษแล้วพบกันนะคะโทรบิ รอยิด